หอมาถึงเมื่อเลยเวลานัดไปครึ่งชั่วโมงเขาขอโทษขอโพยพร้อมกับโยนความผิดไปให้ในายกล้วยลูกน้าชายเป็นเพราะไอ้กล้วยที่ทำให้ผมมาช้ามันบอกจะแต่งตัวรอผมไปถึงมันยังไม่ตื่นนอนเลยครับต้องเรียกอยู่ตั้งนานนานถึงครึ่งชั่วโมงเชิวรึพระหนุ่มถามด้วยเสียงพูดของอีฝ่ายฟังดูมีพิรุษ ชายหนุ่มหัวเราะแห่ๆก่อนตอบว่าโกไม่ถึงหลกครับพอดีผมเองก็ตื่นสายไปหน่อยมันรู้สึกวันวัตยังไงก็บอกไม่ถูกเลยหลับๆตื่นตื่นอยู่ทั้งคืนพอมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบตีสี่แล้วพระเจริญสะดุดใจกับคําว่าวันวัตเหตุใดในหลอ่อเหตุใดในหลอ่อจึงต้องมีความรู้สึกเหมือนท่านหรือว่าจะต้องประสบเคราะห์กรรมร่วมกัน พระหนุ่มรู้สึกกังวลแล้วจุกกลวยรอในรถหรือท่านถามถึงผู้ร่วมเดินทางอีกคนมันไม่ไปแล้วครับหลวงพี่มันท้องสีตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นบอกถ่ายจนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยขอตัวผมขยันขยอยังไงมันก็ไม่ยอมไปด้วยนายหล่อรายงานพระหนุ่มเผลอพูดออกมาว่า งั้นเราก็ต้องผเผชิญกับเคราะหกรรมกันเพียงลำพังนะสิลุงพี่ว่าอะไรนะครับฟังดูทาแม่งทาแม่งชอบกนไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงแต่อยากให้ใครไปด้วยอีกสักคนจะได้ไม่รู้สึกน้อยเหงาปล่าเปลี่ยวอย่างนี้ชายหนุ่มจึงสารภาพว่าผมรู้สึกว่าใจมันหายหายยังไงชอบกนหรือว่าเราเลิกล้ความตั้งใจกันดีไมครับ บอกแม่นวนว่าลุงพี่ห้ามไม่ให้ไปเองจะให้ข้าโกหกงั้นหรือถ้าไม่ยอมหลบนะถึงข้าจะเคยพูดปดมดเท็ดสมัยที่ยังเป็นครือขัดแต่เมื่อมาบวชแล้วข้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ข้าจะไม่เป็นพระสักแต่ว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองเท่านั้นพระหนุ่มให้เหตุผลถ้างั้น ผมจะไปบอกแกว่าผมขัดข้องค่อยไปวันอื่นก็ได้เพราะวันนี้เริกไม่ดีนายหล่อหาทางออกด้วยรู้สึกไม่อยากไปจริงๆอย่าทำอย่างนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราทำกรรมอะไรไว้สักวันเราก็ต้องได้รับผลของมันผัดผ่อนไปก็ไรประโยชน์รีบๆใช้เสียให้หมดดีกว่าจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัว พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเราทำกรรมอันใดไว้ดวีหรือชั่วเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นข้าถึงไม่อยากให้เองผัดผ่อนอาจไม่มีอะไรร้ายแรงก็ได้เองกับข้าคงจะวิตกกังวลกันไปเองท่านปลอบใจคนเป็นขฤรือหัดซึ่งเท่ากับปลอบใจตัวเองด้วย เอาไงก็เอากันผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนดีอย่างหลวงพี่กับผมนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คงไม่ถึงกับตายมัง้งหรือถ้าตายก็นึกว่าใช้กรรมไม่มีใครหนีกรรมไปได้ขนาดพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระอรหันก็ยังหนีไม่พ้นนับประสาอะไรกับปุถุชนอย่างเราๆนายหล่อพูดอย่างปรงตกงั้นก็ออกเดินทางกันเถอะ จะตีห้าแล้วพระเจริญตัดบทจากนั้นข้ารือหัดหนึ่งคนก็ขับรถพาสมณะหนึ่งรูปออกจากวัดพรมบุรีเขาพยายามขับอย่างระมัดระวังเต็มที่พระเจริญรู้สึกรำคาญคนขับรถช้าเกินกว่าเหตุจึงพูดขึ้นว่าถ้าเองขืนขับช้าอย่างนี้อีกสองวัน ก็คงยังไม่ถึงแม่สอดลุงพี่ไม่กลัอุบัติเหตุหรือครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะมาโทษผมไม่ได้นะครับเอ้าเธอข้าไม่โทษเองหรอกหากว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะโทษเวนโทษกรรมนั่นแหละนายหล่อจึงเหยียบคันเร่งให้รถวิ่งเร็วกว่าเดิมครั้นรถวิ่งเร็วกลับเกิดความหวั่นหวาดมากขึ้นจึงลดความเร็วลง กระทั่งช้าเท่าเดิมอีกระวังเต่าวิ่งแซงนะถ้าคืนคลานต้มเตียมแบบนี้พระเจริญรู้สึกรำคาญขึ้นมาอีกจึงต้องว่าปล่อยให้มันแซงเถอะครับหลวงพี่ก็กระต่ายยังแพ้มันนี่นะในหล่อตับกวนๆนั่นมันนิทานตังหากหลักกระต่ายที่ไหนจะแพ้เต่า ก็กระต่ายในนิทานไงครับคนขับพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อปกปิดความวันหวาดในใจสงสัยจะเป็นกระต่ายขาด้วนนิทานก็ขอให้อยู่ในนิทานส่วนในชีวิตจริงเองต้องขับให้ เ, เร็วกว่านี้หรือมิชนั้นก็กลับวัดพระหนุ่มออกคำสั่งแบบให้เลือก งั้นผมขอเลือกกลับวัดชายหนุ่มตอบพลางเหยียบเบรกแล้วเอ็งอยากมาชวนข้าไปไหนด้วยอีกนะให้ชวนคนอื่นแทนพระหนุ่มสร้างเงื่อนไขไปกับคนอื่นมันไม่อุ่นใจนี่ครับเอาเถอะไหนไหนผมก็ต้องไปก็ขอให้ไปกับลงพี่นี่แหละโตลงครับผมจะขับให้เร็วกว่านี้เ ข, เข้าเกียร์ แล้วเหยียบคันเร่งขับไป ท, ทั้งที่ใจกลัวๆกล้าๆตกค่ขาขณะที่รถกำลังไต่ขึ้นเขาฝนก็ตกลงมาอย่างไม่มีปีมีกลองซ้ำอย่างตกหนักชนิดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นที่ปัดน้ำฝนหน้ารถต้องทำงานอย่างหนักกระนั้นก็ทำให้คนขับแทบมองไม่เห็นทางเขาลดความเร็วลง จนรถเจียนจะไหลลื่นลงยามไต่ไหลเขาพระเจรรนไขกระจกขึ้นเพราะฝนสาดเข้ามาในรถเมื่ออากาศระบายไม่สะดวกจึงทำให้คนในรถรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องกระทั่งฝนซามเม็ดลงท่านจึงไขกระจกด้านซ้ายมือลงจนสุดส่วนด้านที่ติดกับคนขับยังไขลงไม่ได้เพราะละอองฝน ปลิวเข้ามากับลงค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยท่านปรารกรู้สึกเมื่อยขบไปทั้งตัวโดยเฉพาะที่ขาเนื่องจากนั่งรถมาทั้งวันอดทนหน่อยนะครับหลวงพี่พ้นเขาลูกนี้ไปก็ถึงแล้วในหล่อ บ, บอกหลวงพี่อย่างรู้สึกเกรงใจที่พาท่านมาลำบากตรากตรำคงไม่มีรถสวนหมักกระมัง เพรามืดแล้วเองขับชิดขวาก็ได้ท่านบอกคนขับทางที่รถวิ่งเป็นถนนราดยางความกว้างของถนนพอที่รถสวนกันได้ซ้ายมือเป็นเหวไม่มีอะไรกัน้นนอกจากต้นไม้ที่ขึ้นประปรายไม่เป็นระเบียบส่วนขวามือนั้นเป็นภูเขาหินการขับชิดขวาดูจะปลอดภัยกว่าขับชิดซ้าย ซึ่งหากขับไม่ดีรถอาจลื่นลงเหวได้ในหลอดจึงขับรถชิดขวาตามคำแนะนำของลุงพี่ขับไปได้พักใหญ่ก็ไม่มีรถเล่นสวนมาสักคันทำให้เขามั่นใจว่ามีรถเขาคันเดียวที่กำลังเล่นอยู่จึงเร่งความเร็วขึ้นเพราะอยากจะให้ถึงที่หมายโดยเร็วฝนซาเม็ดลงได้สักครู่ก็หยุดตก คนขับจึงไขกระจกด้านขวามือของเขาลงโดยใช้มือข้างซ้ายประคองพวงมาลัยเป็นเวลาเดียวกับที่รถกระบะคันหนึ่งแล่นสวนมาในหลอดตกใจหักซ้ายอย่างแรงเพื่อจะหลบรถคันนั้นรถเสียหลักพุ่งลงเหวตัวเขากระเด็นออกมานอกรถศีรษะฟาดพื้นนอนสลบมือดอยู่ข้างถนน ส่วนพระเจริญก็กระเด็นออกจากหน้าต่างรถตกลงไปในเหวผ้าจีวรและสังาติหลุดจากกายหรือเพียงสบงที่นุ่งอยู่ท่านนอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ก้นเหวเนื้อตัวถลอกปอกเปริร์เลือดไหลซิบๆรถที่วิ่งสวนทางมาแล่นเลยไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสิบว่า เพราะมีที่พอจอดหลบได้คนขับนั่งมากับพันยาและลูกชายวัยแปดขวบสองแม่ลูกนั่งหลับสงกมาตลอดทางจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้นเมื่อรถจอดพันยาก็ตื่นขึ้นพร้อมคำถามรถเป็นอะไรไปนะพ่อจอดทำไมหล่อนเรียกสามีว่าพ่อรถคันหนึ่งวิ่งชิดขวามาเกือบชนกับรถเรา คนขับเลยหักหลบตกเหวไปเลยเราไปดูกันหน่อยเถอะเขาชวนพัญญารู้สึกกลัวไม่กล้าไปคนเดียวแล้วอย่างนี้เราจะผิดไหมนางกลัวความผิดจะผิดยังไงคข่อยากวิ่งทางเราเองแล้วสองผัวเมียจึงพา ก, กันเดินไปดูเห็นคนนอนสลบอยู่ข้างถนนจึงเข้าช่วยเหลือเขาตายไหม คนเป็นเมียถามขณะที่สามีจับชีพจรคนเจ็บไม่ตายชีพจรยังเต้นอยู่เราพาเขาส่งโรงหมอเถอะถ้าเช่นนั้นพ่อไปถอยรถมาก่อนนะสามีเดินกลับไปที่รถเพื่อจะถอยมารับคนเจ็บพัญญาเดินตามไปด้วยเพราะรู้สึกกลัวถอยรถมาแล้วสองผัวเมียจึงช่วยกันหามคนเจ็บไว้ท้ายรถ ก็นําส่งโรงพยาบาลประมาณเที่ยงคืนพระเจริญจึงรู้สึกตัวท่านรู้สึกหนาวเหน็บเจ็บปวดไปทั่วร่างเลือดที่ไหลซิบๆิบแห้งกรังทิ้งเป็นรอยบาดแผลเล็กๆน้อยๆ อ, อยู่ตามตัวฝุงยุงป่าพากันดูดเลือดท่านกินอย่างอร็จอร่อย โดยไม่สะทกสะทานกับอากาศที่หนาวเหน็บท่านนึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลันก็รู้สึกเป็นห่วงนายหลอไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปเสียแล้วหลอเอ้ยหลอเอ็งอยู่ที่ไหนท่านส่งสิ่งเรียกออกไปในความมืดก้นเหวมืดมิดมองไม่เห็นอะไร แถมยังอับชื้นจนแทบหายใจใหัยคอไม่ออกไม่มีเสียงตอบจากในหลอนอกจากเสียงแมลงกลางคืนที่ส่งเสียงร้องระงงโถ่เอ้ยเจ้าหลอเองไม่น่าต้องมาประสบเคราะห์กรรมร่วมกับข้าเลยข้าผิดเองที่บอกให้เองขับชิดขวาท่านโทษตัวเองเป็นพราข้าตั้งอยู่ในความประมาทเทียว เองจึงต้องมาตายขอให้เองไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอนะแล้วก็อย่าผูกพยาบาทคาดพยาเวนกับข้าเลยเอโหสิกรรมให้ข้าด้วยพระหนุ่มรำพึงรำพันอยู่ในความมืดทุกครั้งที่ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนบุคคลแรกที่ท่านนึกถึงคือยมยายในวัยเด็กยายอาจเป็นบุคคลที่ร้ายกาจในสายตาของท่านหากในความร้ายกาดนั้น ก็แฝงความดีงามอันเป็นคุณธรรมประจําตนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ยายไม่เคยคลาดจากคุณธรรมความดีและสิ่งนี้เองที่ทําให้ยายเป็นปูชนียบุคคลของลูกหลานยายจา๋าช่วยผมด้วยพระหนุ่มโหยหาที่พึ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กชายตัวน้อ ย, อยที่ต้องการความรักความช่วยเหลือจากยาย อากาศหนาวเหน็บช่างทารุณเซนิกไรพระเจริญดึงสบงขึ้นมาคลุมศีรษะขดตัวให้สั้นที่สุดเพื่อจะสุกอยู่ในสะบงได้อย่างน้อยก็ทําให้ยุงกัดลําบากขึ้นเพราะต้องใช้ปากอันแหลมของมันเจาะผ่านสะบง n ชั้นหนึ่งก่อนที่จะถึงเนื้อหนังของท่านไม่เคยรู้สึกทรมานครั้งใดเท่าครั้งนี้ท่านพยายามข่มใจให้หลับ เพราะการหลับจะทำให้ลืมความทุกข์ความหนาวเหน็บหากก็หลับไม่ลงสมองครุ่นคิดอะไรต่อมิอะไรสารพัดเรื่องลืมไปว่าความรู้ที่รำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อสดและเจ้าคุณอาจารย์นั้นสามารถนำออกมาใช้ได้ในยามตกทุกข์ได้ยากเช่นนี้เพราะกรรมให้ผลจึงทำให้ท่าน มองไม่เห็นทางที่จะช่วยตัวเองได้ในความหนาวเหน็บเจ็บปวดนั้นท่านพยายามระลึกนึกถึงกรรมที่เคยกระทำในวัยเด็กกรรมอันใดหนอที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านนึกลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่จำความได้กระทั่งโตเข้าโรงเรียนว่าเคยทำอะไรไว้บ้าง และแล้วภาพเหตุการณ์แต่ครั้งอดีตก็ปรากฏในมโน น, นึกอณิจจาเรื่องมันเกิดขึ้นนมนานมาแล้วและท่านก็ลืมมันไปแล้วไม่เคยนึกถึงอีกแต่เมื่อมารับผลของมันจึงนึกขึ้นได้ครั้งนั้นท่านยังเป็นเด็กชายไว้ผมแกละเรียนอยู่ชั้นป .4 ใกล้ๆโรงเรียนมีบ้านของตับลัง ท่านมุดรัวหนีโรงเรียนไปทางนั้นตบหลังเห็นเหตุการณ์ก็เตือนว่าหนีโรงเรียนต่อไปจะลบาบากเพราะหากไม่มีวิชาติดตัวจะไปทำมาหากินอะไรได้ท่านยอมรับฟังแต่ก็แค่ฟังเท่านั้นเพราะไม่เคยทาตามที่แกสอนตบหลังมีน้องชายชื่อตบเปล่งหน้าตาเหมือนแกเพราะเป็นคู่แฝดกัน คนที่ไม่คุ้นเคยจริงๆจะแยกไม่ออกว่าคนไหนคือตบปลังคนไหนคือตบเหล่งบ้านของตบเปล่งอยู่เลยบ้านยายไปทางที่ใต้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรในเวลาต่อมาพี่น้องคู่แฝดเกิดแย่งที่นากันเพราะพ่อแม่ตายทิ้งที่นาไว้แปลงหนึ่งไม่ได้บอกว่ายกให้ใครตบปลังถือสิทธิ์ว่าเป็นพี่ จึงขอยึดนาเป็นของตนตาเปล่งน้องชายไม่ยอมจะขอให้แบ่งกันคนละครึ่งในที่สุดพี่น้องที่คลานตามกันมาจากท้องแม่ก็ทะเลาะแย่งสมบัติกันชาวบ้านรู้ไปถึงเจ็ดคุ้งน้ำวันหนึ่งขณะที่ท่านลอดรั้วหนีโรงเรียนตามปกติตาปลังก็เรียกเข้าไปในบ้านไอโนเองอยากได้เงินใช้ไหมละ่ะแกถาม ลงจะให้หรือเด็กชายผมแกลถามกลับให้สิแต่เองต้องทำงานให้ค้าอย่างหนึง่งงานอะไรให้ค้าจ้างเท่าไหร่เด็กชายรีบถามงอนเบาๆข้าจ้างหนึ่งตำลึงเชวนาตาบหลังเสนอตั้งตำลึงเชลหรือบอกผมมาว่าจะให้ทำอะไรค่าจ้างงามๆอย่างนี้ผมทำแน่เองอย่าเที่ยวพูดไปนะ รับสุดยอดเลยเองรับปากได้ไหมละ่ะได้สิรับรองผมไม่ปากโป้งเด็กป .4 รับคำงั้นก็เอาหูมาใกลๆ้ๆความลับมันต้องกระซิบโคดังๆไม่ได้เมื่อเด็กชายขยับเข้าไปใกล้ตะปลั่งจึงกระซิบว่าให้เองไปเผาบานไอ้เปลงงานเสร็จมารับเงินได้เลย งานเสียงแบบนี้ผมไม่เอาหรอกยายรู้เข้าผมถูกเคี่ยนตายเลยเด็กชายรีบปฏิเสธด้วยกลัวจะถูกยายเคียนก็ยายยายเองรู้สิวะกอไหนเองวะเก็บความรับเองไงเด็กชายผมแกละทำท่าครุ่นคิดอยู่นานในที่สุดก็พูดขึ้นว่างานเสียงแบบนี้ผมขอห้าบาทแล้วกัน แล้วก็ขอจายสดด้วยแต่ถ้าเกิดเอ็งรับเงินไปแล้วไม่ทำงานให้ข้าละ่ะตบปลังไม่ไว้ใจทำสิคนอย่างผมไม่เคยหักหลังใครเอาอย่างนี้ลุงจ่ายมาเลยแล้วคืนนี้ผมจะจัดการให้รับรองไม่มีพลาดเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนดีกว่างานเสร็จค่อยมารับอีกครึ่งหนึ่งตบหลังต่อรองไม่ได้หรอก เพราะเกิดคนจับตามองว่าผมมาบ้านลุงทำไมกันความลับก็จะแตกเสียเปล่าตายมาเดี๋ยวนี้แหละตบหลังคิดทบทวนถึงผลได้ผลเสียหากว่าตาเปล่งน้องชายตายในกองไฟที่นาก็จะตกเป็นของตนแต่ผู้เดียวเพราะมีกันสองคนพี่น้องนาแปลงนี้หากขายก็ได้เงินหลายสิบช่าง ลงทุนแค่ห้าบาทเท่านั้นเองคิดรอบครอบแล้วจึงตอบตกลงเอาล่ะข็จะจ่ายให้เองเลยแต่เองต้องสัญญาณว่าหากเกิดถูกจับได้จะไม่ซัดทอดมาถึงขา้าเพราะรับเงินตัง5บาทแล้วผอให้สัญญาครับสัญญาของลูกผู้ชายลุง ก, ก็รู้ว่าผมนะ่ะรักษาคำพูดขนาดไหนรับเงินจากตาปลังแล้ว ท่านก็จัดการตามสัญญาบ้านของตาเปล่งหูกไฟไหม้ไม่มีเหลือแต่ตาเปล่งมิได้ตายในกองไฟตามที่พี่ชายวางแผนแกพาลูกเมียหนีออกจากบ้านได้ทันแต่ต้องหนาวเหน็บอยู่ทั้งคืนเพราะผ้าห่มสักผืนก็เอาออกมาไม่ได้และตอนนั้นก็เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวกว่าทุกปี ตาเหล่งอาตมาใช้กรรมที่ก่อแล้วนะโปรดอโหสิกรรมให้กับอาตมาด้วยที่ทำไปเพราะยังเด็กไม่รู้ประสีประษาอะไรท่านนึกขอโทษขอโพยตาเหล่งแล้วให้นึกอนาจใจที่เห็นหมู่สัตว์ถูกกิเลส ช, ชักจูงไปในทางเสื่อมตบหลังถูกกิเลสตัวโลภะดึงไปจนคิดฆ่าน้องชายคู่แฝด ส่วนท่านก็โลกอยากได้เงินห้าบาทถึงกับเก่อกรรมทําเข็ญ น, นี่หากไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นท่านก็คงลืมมันไปแล้วและคงต้องไปชดใช้ในชาติหน้าซึ่งคงจะหนักหน่วงกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่า ได้รับการเยียวยาจากหมอและพยาบาลก็ฟื้นคืนสติหลังจากสลบสไลดไปห้าชั่วโมงเต็มเต็มเขาลืมตาขึ้นเห็นพยาบาลนั่งเฝ้าอยู่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วร่างจนหน้านิ้วคิ้วขมวดนี่ผมอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับผมเขาถามพยาบาลคุณได้รับอุบัติเหตุคะ่ะ รถตกลงไปในเหวตัวคุณกระเด็นออกมานอนสลบอยู่นอกรถโชคดีที่คนมาเห็นและนำส่งโรงพยาบาลคุณอยู่ห้องไอซค่ะหลงพี่หลงพี่ครับนายหล่อขุดลุกจากเตียงทั้งที่มีสายน้ำเกลือระยงระยางเขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างนอนนิ่งๆค่ะอย่าเพิ่งลุกคุณต้องอยู่ในความดูแลของหมออีกหลายวัน พยาบาลบอกพลางจับเขาให้นอนลงแล้วแล้วลุงพี่ของผมละ่ะ ต, ตายหรือเปล่าครับเขาละล่ำละลักถามลุงพี่ไหนคะกบพระที่นั่งรถมากับผมนะครับไม่มีนี่คะเขานําคุณมาส่งคนเดียวตอนนี้คนที่เขาพามาส่งก็กลับไปแล้วเขาบอกพรุ่งนี้จะมาใหม่พยาบาลบอกกล่าวงั้นก็แสดงว่า ลุงพี่ของผมลุงพี่เขาร้องไห้ราวกับเป็นเด็กท่านคงไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเพราะถ้าเป็นเขาก็คงนำมาส่งโรงพยาบาลด้วยคุณพักผ่อนก่อนดีกว่าจะได้หายเร็วๆนายหล่อยังคงร้องไห้เขาคิดว่าลุงพี่คงมรณภาพเสร็จแล้วไม่เช่นนั้นคงถูกนำส่งโรงพยาบาลพร้อมกับตัวเขา หลวงพี่ไม่น่าจะต้องมาเสียชีวิตเพราะผมเลยหลวงพี่ครับโปรดโอโหสิกรรมให้ผมด้วยถ้าผมออกจากโรงพยาบาลจะขอบวชตลอดชีวิตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำให้หลวงพี่ตายไม่ตรงไม่แต่งมันแล้วเมียหนะเขาร้องไห้รำพึงรำพัน